ได้แต่นึกห่วงนึกสงสารใช่ไหมเด็กยนหัวไทยก็เหมือนกันนะก็นึกห่วงนึกสงสารแต่ก็คิดว่าแค่นี้ไม่พอเขาคิดว่าเขา่าอ้องทาอะไรได้มากกว่า น, นี้แล้วเขาได้ทดําในสิ่งซึ่งอาจจะไม่มีใครหรือเด็กอายุสิสองนี่อาจจะไม่ได้นึกมาก่อนก็คือว่า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 เรื่องดืมชูกําลังดาบตนลวยวิชัยสรยุทธ์เนี่ยเป็นคนปรางกู่และปรางกู่ศิสเกนเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่อ ง, องความแห้งแรงมานานแล้ววันหนึ่งดาบตนลอยวิชัยก็เริ่มปลูกต้นไม้ต้นไม้นี่ก็ไม่ได้มาจากไหนก็เอาเม็ดเนี่ยเอาไนน์เนี่ยมันมาเก็บมาจากที่ต่างๆโดยเฉพาะต้นตาลต่อหลังก็ขยายเป็นต้นเสดาเอาไปปลูกทุกวัน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 แปดปีตั้งแต่ปีสามศูนย์สามหนึ่งดาวต้นลอยวิชัยเนี่ยก็ปลูกมาสิบแปดปีมีคนเขาคำนวณว่าปลูกเงียบได้ต้นไม้ประมาณสองล้านต้นพวกเรานี่มีใครเคยปลูกต้นไม้ถึงสองร้อยต้นหลือเเนี่ยตั้งแต่เกิดมาได้ปลูกสองล้านต้นปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยปรางปูนี่ก็มีต้นไม้เยอะไปหมดเลยเขียวไปหมดโดยเฉพาะสองข้างทางแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็อาศัยต้นไม้ที่ดาวต้นลอยวิชัยปลูกนี่แหละ เป็นเครื่องมือทำหมากินพ่อบางที่ปลูกสแตล์บ้างปลูกพืชกินได้บ้างพวกสะตล์หรือว่าต้นตาล น, นี้ก็เรียกว่าอามาผลไม้ของมันนี้เอาก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ชาวบ้านเนี่ยเวลาจะเอาต้นตาล น, นี้ก็เอาลูกตาล น, นี้ก็นึกถึงหนาตัวฤๅวิชัยซึ่งผิดกับตอนแรกๆตอนแรกๆนี่ใครๆก็หาว่าแกบ้าไปปลูกที่คนอื่นเขาแล้วปลูกงี่ได้ผลได้ยังไง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 คนในของถ่ายว่านี่หนูรู้ไหมว่าทํายังไงถึงจะกินปลาพวกนี้ให้กินได้นานทํางไงใี้กินได้นานปลาพวกเนี้เดี๋ยวก็ถกถึงกันใหญ่เลยว่าทํางไงถึงจะกินได้นานเอาไปหมักเอาไปตากหรือเอาไปทาปลาละใส่เกลือคุณป้าบอกว่าผิดหมดเลยวิธีที่จะกินปลาได้นานคือเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านในทั่วถึงถ้าเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านทั่วถึงนี่จะกินได้นาน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 วควาขวดน้ำป๋าไว้ได้ทันเหลือต้องครึ่งขวดคนแรกบอกแย่จังน้ำปลาหกไปตั้งครึ่งขวดแต่คนที่สองบอกว่าโชค ด, ดีคว้าน้ำปลาไว้ได้ทันเหลือต้องครึ่งขวดสองคนนี่นี่เหตุการณ์อย่างเดียวกันเลยนะใช่ไหมแต่ว่าคนนึงบอกแย่น้ำปลาเหลือหายไปครึ่งขวดอีกคนหนึ่งบอกมีน้ำปลาเหลือตั้งครึ่งขวดเราอยากเป็นเด็แบบเด็กคนไหนคนที่สองแล้วเคยเค ย, เคยคิดแบบนี้บ้างไหมเวลาเงินหายอ่ะ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 นพวกเราเนี่ยนะเวลาเวลาจะทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเพราะเรื่องทรัพสมบัติก็ดีเรื่องงานเรื่องการเรียนก็ดีเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีหรือเรื่องสุขภาพร่างกายก็ดีลองนึกถึงคนที่เขาลำบากกว่าดูบ้างการตีของชคผัวมันก็จะลดน้อยลงไปนอกจากการมองอย่างแง่ดีแล้วเนี่ยนะการที่เราหักฝึกใจให้มีสติก็ช่วยได้มากนะเพราะว่าคนเรานี่มันทุกข์พใจ ทุกข์าความคิดทุกข้พาใจเนี่ยไม่มีสติปล่อยให้ปรุงแต่งไปตามความโกรธปล่อยให้ปรุงแต่งไปตามความโลกแลวชอบไปเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาคิดชอบไปฟังเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเอามาลกหัวตัวเองไม่รู้เคยเล่ให้ฟังเรื่อ ง, องหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่บุตรดาเนี่ยได้รับนิ ม, มนต์ให้ไปฉันที่กรุงเทพท่านอยู่สิง์บุรี ฉันเพยเสร็จเจ้าภาพก็เห็นท่านอายุมากแล้วนะท่านมรณะภาพอายุร้อยเอ็ดปีท่านกออ็อายุมากแล้วแก่แล้วก็อยายท่านพักก่อนแล้วค่อยกลับไปสิงบุรีก็จัดที่พักให้เป็นห้องห้องหนึ่งในห้องนั้นก็ขณะที่หลวงปู่บุตดานอนอยู่ก็มีลูกศิษย์ลูกหานั่งอยู่เป็นเพื่อนลูกศิษย์ลูกหาก็พูดคุยกับซิบกระซาบกันเพื่อไม่รบกวนหลวงปู่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 เราหูไปลองเกลี้ยเขาเองเราหูไปลองเกลี้ยเขาเองเนี่ยคนเราทุกเนี่ยเพราะหูหาเรื่องอนะหูหาเรื่องใครพูดอะไรไปก็คอยเอาหูเนี่ยไปฟังว่าเขาว่าอะไรฉันบางทีเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกเห็นเขากระซิบกระซาบกันก็ไปปรุงแต่ว่าเขากำลังดินทาฉันเนี่ยเพราะมันปรุงแต่งปรุงแต่งเพราะไม่มีสติเราที่ต้องมีสตินะการมีสติจะใช้ไม่แจเงรอยนี้ไม่ปรุงแต่งไปตามเอง ความคิดเหล่านี้ใครพูดเสียงดังก็ปล่อยก็พูดไปเราไม่ฟังเสียอย่างมีเนนคนหนึ่งนี่แกลาคาญเสียงหมามากเลยหมาในวัดนี่มันส่งเสียงดังเนนก็ตะโกนดา่าอยู่สักทีอยู่สักทีหมาไม่หยุดมันก็เอาก้อนหินคว้างหลวงพ่อเนี่ยเห็นอย่างนี้หลายวันก็เลยบอกว่าเนนหูของหมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ปากหมาแค่ไม่ถึงคืบมันยังไม่ลาคาญเลยแล้วเนงเนี่ยอยู่ห่างจากปากหมาต้องเป็นโยชนี่จะลาคาญทําไม อย่าไปฟังมันสิดังนั้นเราเนี่ยเวลาเพื่อนเขาพูดแต่อะไรไม่ถูกใจเราอย่าไปฟังเขาแค่นั้นเองใครคเขาจะ ด, ดินทาเราก็ไม่ฟังแต่ปกติเนี่ยคนเราเป็นยังไงเวลาพอ ร, รู้ว่ามีคนมาบอกว่าเนี่ยมีคนดินทาเธอเราทํำยังไงเราจะถามเลยว่าเขาดินทาว่าอะไรทั้งน้นที่พอรู้ว่าเขาดินทาว่าอะไรเลยเนี่ยรู้ไปก็ทุกข์แล้วอยากรู้ไปทําไมเพื่อนไม่บอกนะเพื่อนเพียงไม่บอกว่าเขาพูดว่ายังไงกับเธอเขาพูดดินทาเธอว่ายัางไง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 และทางหน้าที่รู้แล้วก็ทุกสู้ไม่สนใจดีกว่า่าไปสนใจเลยนะเนี่ยเราต้องรู้จักมีสติในการทำจิตให้เราไม่ทุกข์เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันสำคัญถ้าเราวางจิตวางใจให้เป็นนะไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยไม่ว่าทรัพสมบัติจะสูญหายพัดพรากนะไม่ว่าคนรักจะไม่เข้าใจจะขัดแย้งกับใครหรือไม่ว่างานการ